50 languages. e m b a t t a aru. Kamtham. h u b h u t น k a l a น u r คุณซื้อรถคันไหนแล้วนีนูยาววการขรึ้ดิสิเดคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนนีนูยาวปตัทริก เ, เกจจันดาดารานาเดคุณได้เห็นใครนีวูยารันลโนโดิดิริคุณได้พบใคร นี่วูย่ารันโนเบทีมาดิดิริคุณได้เจอใครที่รู้จักนี่วูย่ารันโนกรุติสิดิริคุณตื่นนอนกี่โมงนี่วูเยชตุฮุตติกียดิริคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไรนี่วูเยชตุฮุตติกีพรามบิสิดิริคุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไร นี่บุยืสตุหดติเกหมุกษิดิริทาไมคุณถึงตื่นนอนนีมาเกย์ e ย่ยชชระวยตุทำไมคุณถึงเป็นครูนี่บย่เกอัธยาพักราดริทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่นีวบแท็กซี่อันนู้เย่เกติดกุคนดริ คุณมาจากไหนนิวหยัลลินตาบันดิดีริคุณไปไหนมานิวหยันลิกีโฮกิตดิคุณไปอยู่ที่ไหนมานิวหยันลินดิดิคุณไปช่วยใครมานีนูยาดิกีสหายามารีดิ คุณเขียนถึงใครนี่หนูยากิเก็บอะไรเดชคุณตอบใครนี่หนูยากิเกออุตตรกุตเต